ตอนที่หนึ่งร้อยสาม้าโรคซุ่มเศร้าหลังคลอดเรื่องนี้จะโทษเจ้าก็ไม่ได้สีหน้าของหลิวเคอเค่คอยค่อยสงบลงปัญหาใหญ่ที่สุดคือเรื่องไม่มีเงินหากตอนนั้นนางยืนกรานให้หนักแน่นกว่านี้เรื่องเช่นนี้ก็คงไม่เกิดขึ้นแววตาของหลิวเคอเคอวูบไหวไปครู่หนึ่งนางก้มลงมองบุตรชายในอ้อมอกพลางคิดว่าโชคชะตาของนางช่างขมขื่นนักพี่เจียนเย่ยตอนนี้พวกเราก็จนตรอกกันหมดแล้วท่านจะไปของเงินจากหลีชิงพิงไม่ได้จริงๆหรือ ใช่ว่าข้าไม่เคยลองแต่ทางนั้นไม่ยอมให้แล้วข้าจะทำอย่างไรได้จะให้บุกไปปล้นถึงบ้านหรืออย่างไรโจเจี้ยนเ ย, ย่แบมืออย่างจนใจอีกอย่างพวกเราก็อยากกันล้างเงินทองก็แบ่งสันปันส่วนกันไปหมดการที่นางไม่ให้ข้ามันก็เป็นเรื่องปกติที่ไหนมีทรรเนียมว่าให้เงินไปแล้วจะมาขอคืนกันเล่าหลิวเคอเคอพยักหน้าอย่างแกนแกนนางไม่อยากโต้เถียงกับโจเจี้ยนเ ย, ย่อีกช่วงที่ผ่านมาพวกเขาทะเลาะกันมาม า, มากพอแล้วตอนนี้นางรู้สึกปวดศีรษะอย่างรุนแรงพวกท่านไปปรึกษากันเถิดไม่ว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไรข้าก็ยอมรับทัั้้งนน หลิวเคอเคอไล่ทุกคนออกไปจากห้องโจจี้นเยีกับพ่อแม่ของเขาต่างก็นั่งกลุ้มใจกันทั้งวันต่างฝ่ายต่างมองหน้ากันด้วยความทุกข์กระทมหลายวันมานี้หนิวซูเฟินเองก็พยายามคิดวิธีอยู่ที่บ้านหรือว่าพวกเราจะส่งหลานสาวให้คนอื่นดีละ่ะเด็กคนนี้อยู่กับพวกเราก็มีแต่จะลำบากสู้หาบ้านดีๆให้ไม่ดีกว่าหรือเงินที่ขายได้ยังเอามาเป็นค่ารักษาให้หลานชายได้ด้วยยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัวแม่แม่รู้ตัวหรือไม่ว่ากําลังพูดอะไรอยู่ แค่ปกป้องลูกชายไม่ได้ค่าก็รู้สึกขี้ขลาดพอแล้วตอนนี้ไม่ยินจะให้ค่าส่งลูกสาวออกไปอีกหรือเช่นนั้นค่าก็ไม่ใช่คนแล้วแต่มันไม่มีทางอื่นแล้วเด็กคนนั้นต้องเข้าใจพวกเราแน่แน่หนิวซูเฟินเกลี้ยกล่อมเสียงเบาไม่ได้โจเจีนเย่ไม่มีวันทําเรื่องประเภทเก็บเด็กที่ป่วยไว้แล้วส่งเด็กที่แข็งแรงออกไปเด็ดขาดอย่างไรเขาก็จะไม่ยอมยกลูกสาวให้ใครเฮอะอันนั้นก็ไม่ได้อันนี้ก็ไม่ได้แล้วเจ้าจะเอาอย่างไรหนิวซูเฟิรนแบมือ อย่างไรข้าก็หมดปัญญาแล้วไม่อย่างนั้นก็จงทนดูเด็กคนนี้ตายไปต่อหน้าต่อตาเถิดโจวเจี้ยนเย่ขมวดคิ้วแน่นไม่รู้ว่าควรจะทำอย่างไรดีเขาพยายามจนถึงที่สุดแล้วจริงๆโชคชะตาของเด็กคนนี้ช่างอาภัพนักชุนหงนั่งเด็กสารเลวนั่นก็ไม่รู้หนีหายไปอยู่ที่ไหนไม่มีข่าวคราวส่งมาบ้างเลยเสียแรงที่เลี้ยงจนโตมาขนาดนี้นิวซูเฟินบ่นอุไรพระนอจจะช่วยอะไรไม่ได้แล้ว นางยังหวังจะเอาตัวลูกสาวไปแลกเงินมาใช้บ้างแต่สุดท้ายกลับไม่ได้เงินเลยสักแดงเดียวตอนนี้พูดเรื่องนี้จะมีประโยชน์อะไรในยแม่นางไม่กลับมาแล้วข้าว่าแม่นั่นแหละที่ทำเกินไปลูกสาวก็เป็นลูกของพวกเราไม่ใช่หรือแม่ทำเสียจนนางหวัดกลัวไม่กล้ากลับบ้านเจ้าไม่มีสิทธิ์มาว่าข้าหากเจ้ามีความสามารถพอเรื่องมันจะเป็นเช่นนี้หรือเมื่อเห็นว่าทั้งสองคนทำถ้าจะทะเลาะ ก, กันอีกโจเจียนเยียจึงเอ่ยขัดขึ้นด้วยความรำคาญพอได้แล้ว ไม่ดูบ้างหรือว่าตอนนี้มันเวลาไหนยังจะมีแก่ใจมาทะเลาะกันอีกทะเลาะกันไปจะมีประโยชน์อะไรสู้คิดหาทางที่มันทําได้จริงดีกว่าลีชิงผิงนางมีชีวิตที่ดีเห็นพวกเราตกอับเช่นนี้นางคงสีจจยใจน่าดูนางไม่คิดจะช่วยพวกเราบ้างเลยช่างเป็นคนเนรคุณเสียจริงโจวเจี้ยนเ ย, ย่ไม่อยากฟังนางพูดต่ออีกพวกเขาลังเล ก, กันอยู่ที่บ้านหลายวันในที่สุดก็ตัดสินใจที่จะไม่รักษาต่อ สาเหตุหลักคือเด็กคนนี้เกิดมาผิดเวลาพวกเขาไม่มีกําลังมากพอจะดูแลโจเจีเ้เย่ทาได้เพียงทนมองดูเด็กคนนี้อาการซุดหนักลงทุกวันกระทั่งตอนที่เด็กสิ้นลมหายใจก็ยังไม่ได้ส่งโรงพยาบาลเขาเกรงว่าหากช่วยเด็กกลับมาได้สุดท้ายก็ต้องมานั่งทุกข์ใจที่บ้านต่ออีกไม่กี่วันเด็กยังเล็กนักจึงไม่จําเป็นต้องจัดงานศพให้วุ่นวายหลิวเคอเคอร์ยังอยู่ระหว่างอยู่ไฟได้ไม่ดีนักทุกคืนนางมักจะฝันเห็นลูกชายมาตัดเพอที่พวกเขาไม่ยอมช่วยชีวิต ลิวเคอรเคอเริ่มมีอาการทางจิต ท, ที่รุนแรงมากเรื่องนี้เริ่มจากตอนที่โจเจียนเย่ยพบว่านางมีพฤติกรรมพยายามฆ่าตัวตายเมื่อไปปรึกษาแพทย์จึงทราบว่าอาจเป็นโรคซึมเศร้าหลังคลอดและควรพานางเข้ารับการรักษาโดยเร็วที่สุดหลังจากรักษาด้วยแพทย์แผนปัจจุบันแล้วไม่ได้ผลจึงต้องหันมาพึ่งพาแพทย์แผนจีนอีกครั้งครั้งนี้โจเจียนเย่ยพาลิวเคอเคอไปพบศาสตราจารย์เจียง ทว่าลิวเคอรเคอในตอนนี้เมื่อเห็นหลี่หวานก็เกิดปฏิกิริยาตอบสนองอย่างรุนแรงจากคนที่ดูร้ชีวิตชีวาเมื่อครู่กลับเบิกตากว้างด้วยความโกรธแค้นหลี่หวานที่ข้าต้องเป็นแบบนี้ก็พระเจ้ากับแม่ของเจ้าทําร้ายทําไมพวกเจ้าแม่ลูกถึงยังไม่ไปตายเสียทีฮะข้าจะฆ่าพวกเจ้าข้าจะแก้แค้นให้ลูกชายของข้าหลิวเคอเคอร์แผดเสียงตะโกนว่าจะฆ่าหลี่หวานโจจี้นเยรีบเข้าไปคว้าตัวนางไว้ทันควันด้วยความตกใจเคอเคอเจ้าตั้งสติหน่อยอย่าทำเช่นนี้เลยกรี๊ด สถานการณ์ของหลิวเคอเคอในตอนนี้ไม่รับรู้อะไรทั้งสิ้นนางเอตะกฤตร้องเสียงดังศาสตราจารย์เจงขมวดคิ้วจ้ารีพานางออกไปก่อนสถานการณ์เช่นนี้ควรส่งไปโรงพยาบาลจิตเวชโดยตรงจะพานางมาหาข้าทำไมหากนางทำร้ายลูกศิษย์ของข้าข้าจะเอาเรื่องเจ้าให้ถึงที่สุดหลี่หวานเหวินโม่รีบกล้ามายืนบังข้างหน้าหลี่หวานเพื่อปกป้องนางเช่นกันเสี่ยหวานเจ้าออกไปก่อนเถิดเรื่องรักษานางสำคัญกว่า โจจีนเ ย, ย่เอ๋อยอย่างร้อนรนตอนนี้หลิวเคอเคอเป็นผู้ป่วยที่ควบคุมได้ยากแต่หลีวานนั้นต่างออกไปอย่างน้อยนางก็ยังฟังภาษามนุษย์รู้เรื่องหลีวานไม่แน่ใจว่าหลิวเคอเคอร์อเสียสติจริงหรือแสร้งทำแต่นางก็ยอมเดินออกไปข้างนอกเมื่อเห็นหลีวานออกไปแล้วอารมณ์ของหลิวเคอเคอก็เริ่มสงบลงศา ส, สตราจารย์เจียงรบกวนท่านช่วยตรวจดูอาการให้นางหน่อยเถิดครับโจเจีนเย่เอ๋อยอย่างอดทนเจ้าพานางมานี่ ศา ส, สตราจารย์เจียงพยักหน้าเป็นสัญญาณทว่าสายตาของเหวิรนโม่กลับจ้องมองหลีวเคอเคออย่างพิจารณาคนผู้นี้ดูแปลกพิกลนางได้รับความกระทบกระเทือนใจอะไรมาหรือครับลูกชายของข้าเสียแล้วโจเจียนเย่ยตอบรูม่านตาของเวิร์นโมหดเกรงด้วยความตกใจช่วงที่ท่านหายไปข้านึกว่าท่านจะหาวิธีอื่นช่วยลูกชายเสียอีกที่แท้ท่านก็ทนดูบุตรชายตายไปต่อหน้าต่อตามีใช่ลูกแท้แท้ของท่านหรือไม่ท่านช่างใจดําเหลือเกินเหวนโม่ ศา ส, สราจารย์เจียงสงสัยตาเตือนไม่ให้เขาพูดจาสีสวอเรื่องนี้พวกเขาไม่ควรเข้าไปก้าวไกลเหวินโม่เม็มปากเงียบสนิทหากเป็นเช่นนี้พานามหาค่าก็คงช่วยอะไรไม่ได้มากโรคทางใจต้องแก้ด้วยใจตลอดช่วงอยู่ไฟนางก็ไม่ได้บำรุงร่างกายให้ดีโอกาสที่จะฟื้นฟูในภายหลังคงมีไม่มากนะักหากเจ้าไม่เต็มใจส่งนางไปโรงพยาบาลจิตเวชก็คงต้องเลี้ยงดูกันไปที่บ้านนั่นแหละศา ส, สราจารย์เจียงหยุดเว้นจังหวะ อย่างไรนางก็คงไม่เหมือนคนปกติข้าจะจัดยาสมุนไพรจีนที่ช่วยให้สงบจิตใจให้ก่อนเจ้าพานางกลับไปดื่มดูสักพักแล้วรอดูอาการว่าได้ผลหรือไม่ไม่ได้ผลหรือครับแววตาของโจเจียนเย้ฉายแววโศกเศร้าทำไมถึงเป็นเช่นนี้ไปได้เรื่องทั้งหมดนี้เกิดขึ้นเพราะเขาแท้ๆคนที่ควรจะเป็นอะไรไปที่สุดควรจะเป็นเขามากกว่าช่วยได้ไม่มากหรอก ศา ส, สตราจารย์เจียงทราบถึงสถานการณ์ครอบครัวของโจวเจี้ยนเ ย, ย่ดีในสภาพเช่นนี้เขาไม่จำเป็นต้องสร้างความหวังให้ลำบากใจเปล่าๆครับข้าเข้าใจแล้วโจวเจี้ยนเ ย, ย่มีสีหน้าเหมือลอยขอบคุณศาสตราจารย์เจียงมากครับ